ข้านาชาตวชนวัตบริษัททั้งหลายวันที่วันทึกวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองก็ขอทบทวนเรื่องราวของวันที่เก้ามกราคมพศสองพันห้ารอยิสองที่สองเพราะว่าเมื่อวันที่ 9, เก้าเวลาประมาณเก้านกาสามสิบนาที เวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติแต่ความจริงเรื่องป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ก็จาเป็นต้องพูดเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมผู้ลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมกันทุกวันการมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมที่ประจำจริงๆก็คือชาวนครสวรรค์ ชาแนวกษะวันกับชาวกรุงเทพที่ไม่ขาดแต่ละวัน <c oughs> มากันสายแล้วหลายหลายคนนอกจากนั้นก็มีภไพ่สายในจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีคอนแก่นขบนลราชธานีเซกค น, นครภาคใต้ก็มีจังหวัดตรังตรังนี่มาเป็นประจําทุกวันหลายวันแล้วนครนครศรีธรรมราชแล้วก็ยนราทีวาด จังหวัดอื่นเช่นลบบุรีเป็นต้นรวมความว่ามากันวันวันมากๆทุกคนมาเยี่ยมอาการไข้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเวลาที่มาเยี่ยมจริงๆอาจจะไม่พบไข้เพราะท้งนี้อาการไข้จริงๆที่ทรมานมากที่สุดก็ต้งแต่หลังสามโมงเย็ยนเป็นต้นไปจนสี่ทุ่ม ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาท่านผู้บริษัทก็มีอาการเมงงงแต่ว่าสายขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าการแสดงออกทั้งการในการป่วยไข้ไม่สมบายตัวหน้าผูมาจะไม่คคอดีนะจะทำให้กำลังใจของบรรดาลูกหลานับรรดาท่านผู้บริษัทเสียกำลังใจมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคน และทุกท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปสลับกันมาที่โูดนี้จะไม่ข้อควนบริบูรณ์มีสายหนึ่งก็พิจิตพิจิบูนี่มาประจำนี้กันจะรวมความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่สลับกันไปสลับกันมาวันอาการเมื่อาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ก็ต้องตกอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิต ต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงวันนี้ก็ได้เสมอนี่เป็กฎธรรมดาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวตายทุกวันการเตรียมตัวตายก็คือติดเกาะพระอีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเกาะเทวดาเรือผมเกาะสิ่งที่เป็นสุขในวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสาิบสอง กำลังเกาะเหตุนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือไมไ่รูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่าอ้วนตุไม่เกิดตุคือไม่เกิดท้องพลุยเป็นคนอ้วนอันดับแรกกานั ง, นางอาตมานอนในแกงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองบนมท่อนแขนทั้งตท่อนแขนทั้งตับออกไป เห็นมือพนมกันเห็นมันดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่คิดกุยยานไม่ใช่ฌานสมาบัติเพราะจะว่าก็เวลานั้นสมาทานภาวานาเล็กน้อยคือพอจิตเป็นสกเป็นการเห็นจากท่า น, สนแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็นเหมือนเองคนธรรมดา <c oughs> มีสภาพปกติไม่ใช่งเงา พอเห็นแขนสองแขนมือสองข้างบันนมพร้อมกันก็สงสัยพริกไกายมานอนหงายก็เจอหน้าท่านพอดีก็ถามท่านพรทธว่าท่านเป็นใครท่านบอกผมคืออดีตพยาการชนะพะลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรหมก็ลืมถามไม่ว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ความจริงเมื่อเป็นพรมหมือเป็นธรรมกันก็ว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนของความสุขจิงเรียนถามนว่าท่านเจ้าคุณคําว่าท่านเจ้าคุณเ้านิยมเรียกพยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่าผมเป็นพยาตั้งแต่พระเจ้าสมัยพระเจ้าสามพยา านรายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพระยาการจนบุรีก็จะถามนี่ว่าพระยาการจนะอุรีเป็นพระยาสมัยไหนท่านบอกว่าพระยาการจนะปุรีเป็นนักรบหลายนักนักรบนักรักนักแสวงหาโชคลาภเรี่องความพระยาการจนบุรีนี่เป็นนายทหาสมัยพระเจ้าอินทราชา ทอพระเจ้าสามพยารับบริการไดตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาสัตว์ขั้งสุดท้ายหลังจากเป็นพญาอื่นในนามของนัทลบนักรบมาแล้วก็เป็นพระยาการจนะอวยปกครองเมืองการจนบรุรีการที่ท่านท่านท่านเป็นพยาการแยบบุรีปกครองการจนะบุรีนี้หนึ่งการแยบบุรีเป็นชายแดน แอบรายการในสองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองการแย บ, บรีเป็นแหล่งสําคัญในการหาโชคลาภทรัพย์สินเมื่อมาเป็นพญาเมืองเจ้าพระเจ้าเมืองกรัรแยบรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพญากาจนาโอ ร, บบรีท่านพญาการแย บ, บรีนี่ท่านแสวงหาชาวโชคลาภคือหาทองท่านจะคุณการแย บ, บรีเล่าให้ฟัง ว่าคุณพ่อนะ่ยชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งราชการเพราะเวลานั้นประเทศชาติแยกเก็บภาษีอากรกับคนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ไหวคนก็น้อยการรบก็ติดพันกันอยู่เสมอชาวบ้านนี่ก็ออกทาการรบเปิดอาหารแยกเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางราชการก็ใช้ทรัพย์สินมากก็จําต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันเขาลืมบอกไปบรรดาท่านผทธบริษัท ว่าเรื่องนี้เป็นไท้เรื่องว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีลืมบอกเรื่งไปจะลืมนะ ว, ว่ารัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีก็เลยถามทายาทกันกาญจนบุรีว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นเป็นผมเป็นลูกชายคนที่สองของพญากาญจนบุรี ไปร่วมทําการหากับข้อทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแแ่ทองกับแรหเงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการมีกําหนดไหมว่าเดินต้องส่งเท่าไหร่เตก็ตอบว่าเมืองกาญจนบรุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางราชการไม่กําหนดแต่ว่ากําหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดยึงถามนะว่าการแสวงหาทอง การซื้อทองท่าเรือการเวลานั้นซื้อราคาเท่าไหร่ท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจีอพนให้ราคาบาทละอทองหนักบาทต่อเก้าบาทเรียกว่าทองเนื้อเก้าถ้ามีสิ่งเจีอพนเล็กน้อยก็เรียกว่าทองเนื้อแปดเพื่อบาทให้บาทและแปดบาทถ้าสิ่งเจือพลมากนิดหน่อย ก็ใบาทเลขหบาทเรียกว่าทองเลขหกถ้ามาสิ่งเจียปนหมาว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจือปนในบ้าก็ต้องดูกันว่าเจือปลมากน้อยเท่าไหร่เึงถามถึงวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ถถต่างๆถามได้บอาว่าการรู้เรื่องการทองเรื่องเงินในในพื้นที่ การรู้เรื่องแรกวิชารู้เรื่องแรกมีไหมท่านบอกมีทุกอย่างแต่ของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เสมือยังไม่มีความรู้ถลองตรงแรกประเทศนั้นแต่บองวิชาความรู้ที่ท่านเรียนร่วมมากับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากใคร ท่านก็นตอบว่าพ่อท่านเรียนมาจากอาจารย์คงถามว่าอาจารย์คงอยู่วัดไหนท่านบอกว่าอาจารย์คงเป็นพระหลวงวัดวัดป่าเรลัยเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเรลัยที่มีอาจารย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเพราะอย่างนี้อาจารย์คงนี่เก่งทั้งด้านนี้มากถามได้ว่าวิธีดูพื้นดินทำยังไง การหาทองชีวิตีอะไรบ้างท่านบอกว่าหนึ่ง ด, ดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่ใช่เฉพาะทองคือว่าดินจะอย่างนี้เจ้ามีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะ ด, ดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอยถินถึงดึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่สุยก็ พันดินขึ้นมาดูได้ไปตรวจกันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินแร่เงินธรรมชาติและทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสําหรับปีมายก็เป็นการ ค, าค่ายเสน่ห์ตามหลังวิชาการจะไม่ค่ยผิดถ้าถามความลึก ของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าคราวนี้ไม่ใช่ของยากถ้ารู้ปริมาณรู้กําลังดินงทีาา่จทราบว่าความลึกของแร่เงินและแต่ทองและธาตุต่างๆแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่เรียนจากฝรัง่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่งอาจารย์คงก็สอนในการใช้วิธีหลับตาดู เรื่องนี้เรื่องใหญ่คือฉันวิธีหลับตาดูแทนที่ลืมตาดูหลับตาดูนี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กำลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมดจะรู้กันหมดว่ามีสีสันวันณนะเป็นยังไงมีตื้นลึกระบางเป็นยังไงจะใช้อะไรด้ือบ้างรู้หมด แต่ว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองนี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่ค่ไม่ทันยอมเขานักใช่แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สามถามว่าวิธีที่สามคือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประจำท้องถิน่นคือผีพรายประจำท้องถิ่นนี่สติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมด น, นั้นในเรื่องโบราณต่างๆที่ว่ามีการพบผีปรายคุยผีพรายจึงถามนั่นว่าเวลานี้คําว่าผีพรายจะหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคําว่าผีพรายหมายถึงอะไรท่านก็ตอบคําว่าผีพรายประจําผินถินนั่นก็คือภูมิจัวดาเรียกว่ากันไปก็คือพระพรหมจเจ้าที่นั้นเอง พระภูมิเจ้าที่ยอมรักษาเขตจากัดอย่างที่นี้ถึงที่โ น, น้นจากที่นั้นที่ที่โน้นก็ระมวลความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรคดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนทนี่มีสีสันวัฒนะไปยังไงที่พบเทองได้เงินผีปลายประจําถิ่นหรือภูมิเทวดาก็บอกรัพย์ เวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพหินแบบหน้าเทวานุคภาพเห็นชัดเหมือนพันดินไม่มีบางวิธีการที่สามนี่เป็นวิธีการที่นิยมกันมากแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าจะขดจอนุญาตไหมบางจุดท่าก่อนุนญาตบางจุดก็อนุนญาตเรว่ายังไม่ถึงวาต้องถึงการเวลาสักคน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาก็ได้ทดลองมันแล้วว่าจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามราการเห็นหมดแต่จะว่าปรากฏว่าขุดแล้วไม่ได้ขุดลึกเท่าไรก็ไม่ได้ก็หน้าเทวานุภาพแต่กล่าวว่าถ้าที่ใดที่ทนอนอนุญาตให้ขุดได้ง่ายๆ แล้วก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหานแค่ผิวดินแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็ตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูงถ้าถามนะว่าแร่ทองกับแร่เงินนั้งอยู่รวมกันไหมถ้าบอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแหง่งที่ของไข่ก็ที่ของไข่พระคุณเทวดาจะชี้ที่ให้ ก็เลยคิดว่าไอ้เวลานี้การหาทองให้เงินก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าการวิธีติดต่อกับภูมิเทวดาหรือปลายผีปลายประจัมท้องถิ่นประจัมพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกัน ก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นพรหมท่านก็น่าจะบอกได้ถ้าบอกว่ายิ่งเป็นกัตดาที่เป็นผมหมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบขึ้นที่ว่าระเบียบปฏิบัตินิ่พรมกัตวาดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกกับใครก็บอกได้เสมอเมื่อถามท่านว่าการเวลาสมควรเวลานี้ประเทศชาติต้ตองการซัดหิงมาก ถ้าต้องการทองแร่ทองแร่เงินแร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไม่ได้เขตการจนบุรีท่านกั็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าในเขตการจนบุรีนี่สว่ากันจริงๆนะเนื้อที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาจังหวัดเป็นทองแร่เงินและแร่ต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านจะพูดต่อมานิดหนึ่ง กราอกในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทาหารเคยรักษาเสถประเทศชาติมาแล้วอาชีวิตเลือดเนื้อเขาแรกก็ความประโยู่ของชาติก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจหวัยการจะ บ, บรีได้อยาให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจน บ, บรุรีถ้าการเวลาถึงคําว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิงได้ทซับหินนั้นไหลแล้วนั่งขึ้นมาเป็นว่าทรัพบหินนั้นไหลในเมืองกาญจนบรุรีท่านนําขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนะที่ไม่บอกสถานที่ <c oughs> ก, ก, ก็เมืองการก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงไดง่ายกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวาการหน้าไปทางที่จะ อ, ออกเทือกจากเขาลู ก, กนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้าย ดาวเหยียดที่จะเป็นคันกันน้ำเขาลูกนี้มีแร่าธาตุพิเศษพิเศษจริงๆทางด้านเท่ทาซ้ายมือนะขึ้นเรือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้น การแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาประสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาทวามจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอถิ้งไปต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนไทยจ็เก่งก็ล่าขึ้น สามารถมาทำํำในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้นสนใจสักทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนําเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลงังได้เป็นอย่างดีถามได้่ว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไร ท่ก็จิ้มทังบมดทองคําเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพุ่นบริบูรณ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทําได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทําไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ไม่ไม่ทำนั่นแหละ ถําที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นฐานน้ําฐานน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏเในสายตาภายนอกจะไหลอยู่ภายในเขาจะเป็นคล้ายๆน้ํำซับซึมๆออกมาแต่ซึมแรงแตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทํำลายต้นน้นําดําทานต้นน้นําดําทานอยู่ทั้งสายเข่ามาแต่ไม่ถึงพมา่า เป็นจุดนั้นจงอย่าทําลายเมื่อได้แล้วทั้งสามอย่างขึ้นมาประสงค์กันแล้วท่านใช้คำว่าประสงค์กันแล้วแล้วก็ใช้น้ําอั น, นี้ช่วยเพียงเท่านี้ถ้าสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอทองคำร้อยเปอร์เซ็นเมื่อจะอ่อนไม่ติดข้อทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามได้บอกว่าบอกจุดได้ไหม ถ้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบก็าแล้วครับจริงๆท่านเคยไม่บอกปริมาณแรกทั้งหมดฐานนั้ว่ารแรกทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนําขึ้นมาใช้จริงๆพันปียังไม่ได้หนึ่งในสี่ของปริมาณแรกทั้งหมด และทั้งหมดนี้นอจจะมีไปธรรมชาติและมันจะเกิดเรื่อยๆไอ้การเกิดก็มันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขามันยาวลงไป ใ, ใต้ดินเยอะแยะมากก็าถาไน้ำบาดมันไหลมันนอกเขาไหมข้าแต่ก็ตอบว่ามีตามเชิงเขาถ้าไกลออกมาไม่เกินสามกิโลเมตร ปริมันแร่นี่จะมีความหนายังมีจํานวนหนามากถ้าเกินมาถึงที่ผ้าเม็ดน่านจะบางไปหน่อยก็ใจกระจา ย, ยอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ทําไปมากเขาแร่นี้จริงท่านย้ำว่า จ, จงอย่าลืมนอกจากจะนําแร่นี้มาเข้มทำเป็นทองคําแล้วประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายด้วยเถิด ให้ก็พูดยิ้มยิ้มแต่พรากว่ามผมไม่รู้ภาษาฝรัง่ง <c oughs> <c oughs> เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดผมไม่รู้ไม่เคยเรียนก็ <c oughs> เลยไม่กล้าจะบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ขอพูดอย่างเขาา้าเร่าปริมาณส่วนหนึ่งของแร่จะทําเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนหนึ่งของแร่จะใช้ังสีได้อย่างวิเศษ อีกสิ่งส่วนหนึ่งเขาแรกจะทำอะไรก็ได้มาผมปัฒนาไม่ไหวเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมเองในฐาน ะ, ะมีน้ําพยาการชนะพอดิงเป็นผู้ค้นคว้าแหล่งการมาของทองคำจึงสนใจจะขอทองคำยินดีเดินถาม น, น้ว่าสมัยของท่านเคยนำแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหม ถ้าบอกว่าในการบางส่วนนำมาครับเคยนําขึ้นมาแต่ไม่ได้นำจากเขาถามผีพราย ป, ประจําถิา่นคือพระมเทวดาเมื่อการเจาะเขาเราก็เสียดายเขากปริมาณการใช้ก็ไม่มากถามท่านว่าพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพือเป็นดินเรียบจะมีไหมพระมเทวดาท่ากับบอกว่าไมีได้ก็ถามท่านว่าที่ตรงไหน มระมเทวดาท่านถามว่าต้องการปริมาณมากหรือปริมาณน้อยก็ถามก็เลยบอกท่านว่าต้องการรู้ทั้งหมดทั้งปริมาณมากทั้งปริมาณน้อยแต่ว่ายังต้องการมาพิสูจน์ด้วยการทดลองให้ก็ชี้จุดให้ถ้าไม้ไปปักให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากไม้อย่างนี้ปริมาณน้อยทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสรวง การบวงสรวงถามนั้นว่าจะขอวิธีกรรมได้ไหมท่านบอกพิธีกรรมมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใสท่ทีก็ถามนั้นว่าสมาธิทำใจใส่สามารถเห็นผีเทวดาได้ไดตะเรียนจากใครท่านบอกเรียนจากใจคงถ้ามีวิชาจะพอให้วิชาจะพะของท่นจริงๆก็คือสมาธิธรรมาดา แต่ว่ามีบทคาถาภาวนาไปบทคาถาเชิญเทวดาเลยเชิญพูดผีปรายไปจำผิดถามว่าการบูงสงและเชิญมายากไหมท่านบอกว่าจิตใจของบรรดาพวกกับผมก็ดีผมก็ ด, กดีคุณพ่อก็ดีคนทุกคนก็ดีสมัยก่อนมีความเคารพในพระพุทธศาสนามากยอมรับนับถือเทวดาและผมมาก แต่ความที่การเชิญจะเป็นของไม่ยากเริ่มพิธีบวงสวงปับ๊บก็จะเห็นภูมิเทวดาท่านารรมายืนเรียงรายทั้งหมดท่านจะประกาศชื่อท่านจะประกาศเขตที่ท่านรักษาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่ทำประกาศภาพทั้งหมดจะปรากฏกับในสายตาของเราหรือสายใจไม่ใช่สายตาเพราหลับตาจะปรากฏชัด ถามเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดเด็กกันเลยความเมตตาไอลารบรรดาไอพุทธรรมวิสัชนหลายโดดตัวนาคุยกันมาก็เป็นไปเวลาการรลยไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีระเบิดรการนี้รายการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนจะจบก่อนจะหมดเวลาก็ขอนำธรรมะมาก่อนเพรา ะ, ะยาการชนะมรีเขาดี พระญาณการจจรพัดินก็ดีท่านตายไปหมดแล้วแมอคนนั้นหลายเหล่านั้นที่ขุดทองขายทองก็ตายไปหมดแล้วเขาบันดาญาจงพุทธบริษัททั้งสักว่าสัพเทศตามริสันติมรนตังอิจิวิตางสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่เพระสมเด็จพระองค์บอกว่าตายหมดเมื่อเมื่อใดจะทราบว่าตายจงพิยามรักษาความดีโดยพ่ออย่างยั ง, ยงรู้จักการอิทาน ผู้จัด ก, การรักษาศีลผู้จัด ก, การเจริญภาวนาจะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเราอร บ, บรรดาญาโยมทุกบริษัททุกท่านเวลาหมดพอดีเขาลายโกรธขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุน่นผลจงมีแดบบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี